นี่เหมือนพว่วงเหมือนแพรมาสุสมไปตามการสมัยเราจะขี่มันขาบฟากให้ได้ไม่ต้องไปแบกมันเมื่อมันโจมลงไปก็ขึ้นฝั่งเลยเลยไม่ต้องเอาแพรขึ้นไปด้วยคือกายคือลูกประธรรมเราจึงมาศึกษาเรื่องนี้กันต่เป็นทุกข์เพราะกาย่าเป็นทุกข์เพราะใจเราใช้มันเรามาใช่เรามาดูมาทำกรรมฐานเพื่อจะรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริง ไม่ต้องไปหามาทำกรร ม, มฐานที่ตั้งแห่งการกระทำมีสติมาตั้งไว้ที่กายนี้กายเป็นของใช้ได้มีอยู่อาศัยกายเป็นนิมิตให้มีสติฝึกหัดไปก่อนบางทีเราไม่เคยใช้ไม่เคยดูใครก็ตามจะมีความลูกขนาดไหนจบมาแค่ไหนสัตว์อะไรก็ตามต้องมาฝึกหัดตรงนี้กันให้มีสติไปในกาย ให้มีคนอื่นสอนเราสถาบันไหนไม่มีไอ้รูปของมหาวิเลยไม่มีมีแต่เราสอนตัวเราเองจะมารวมกันขอเป็นสวยร่วมใอ้เรื่องนี้บ้างเพราะเคยประสบการณ์มาแต่ก่อนเคยหลงเรื่องกายเคยหลงเรื่องใจพอมาศึกษาก็ไม่หลงอ่ะเอามาเป็นปัญญาสวรรครอบรู้ในกะองสังขารคือกายกับใจนี้มันเป็นปัญญาไม่ช่ไม่รา้จากกัน การศึษาเป็นสูตรสําเร็จตามสมุดปัญญะหลวงตาไปดูเขารับปัญญาที่พุทธมณฑนมีพระมีเนนมีนักปวดศาสนาพุทธฝ่ายมหาญาณพวกไต้หวันพวกอะไรเขาก็มากันอันนั้นรับปัญญาได้ไปประกาศตามสูมุดปัญญะมีความรู้เป็นพันๆลูปขัดขัวชีวิตอันนั้นก็เป็นปัญญาอันหนึ่ง ปัญญาในชีวิตเราคือยาตะปัญญามียานอย่างลูกสร้างยานขึ้นว่าสร้างตัวลูกขึ้นมาติอคณะปัญญาแกแกงออกจนไม่มีอะไรเหลือประหาน้าปัญญาทําให้มันหมดไปหมดอะไรหมดความยึดปั้นถือมั่นหมดสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษตามสมมุติปัญญัติที่เราสร้างมันขึ้นมาเราพอใจเราไม่พอใจ เอาใจไปใช่ความพอใจเอาใจไปใช่ความไม่พอใจถ้ามีสติก็ถอนความพอใจความไม่พอใจออกมามาลู่เฉยๆพอมาศึกษาก็เห็นทันทีอยู่ตรงไหนก็เห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดนึกการเคลื่อนไหวของกายคือยืนเดินดันน้งนอนการเคลื่อนไหวของจิตคือมันคิดเลยไม่ได้ตั้งใจมันมากเหลือเกินเราจึงมาใช้ชีวิต อยู่ในประตูน้อ ย, อ, ยอันคิดมันเกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจกับลูกอันความคิดที่ตั้งใจแต่ตั้งใจคิดก็คิดได้แต่อย่าไปหลงลินไปกับความคิดที่เหตุที่ผลอะไรมากมายเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือการเหตุแย่เหตุผลยังฆ่ากันตายได้ทะเลาะวิวาสกันเพราะเหตุเพราะผลอันสัจธรรมไม่ใช่ทะเลาะกับใครเป็นการแค่ตัวเองมองตนกลับมา ตกปู่แลกไม่เป็นแล้งตกหมูกาไม่เป็นกาเรียกว่าสัจธรรมมันไม่ใช่สัจธรรมอ่ะเอาผิดเอาถูกโตกันได้คนนั่นผิดเราถูกเอาตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญมาขัดแย้งกันจนติดคุกติดหลงังหรือประหารชีวิตตามธุรบัญญัติแต่ว่าสัจธรรมะถ้าตกหัวแลกเขานินทาเราเขอทะเลาะกับเราเราก็ไม่ทะเลาะกับเขาเขากดเราเราไม่กดตอ ขอ เ, เสนอเสนอยกย่องเราก็ไม่ยินดีตกความยินดีความพอใจความไมาพอใจไม่มีแล้ลักษณะอถึงนั้นเราวิสติเราฝึกหัดมาประสบการณ์มันหลงก็รู้มันไม่หลงก็รู้อยู่มันสุกก็รู้อยู่มันทุกข์ก็รู้อยู่มันรู้ก็รู้มันไปรู้ก็รู้นี่เรียกว่ากรรมตั้งไว้ให้แน่นหนาะถ้ามันตั้งไม่เป็นก็มาตั้งไปที่กายนี้อัดตั้งไว้ ไม่ใช่วางลอยๆคิดเอาคิดโต่นคิดนี่คิดผิดที่ถูกแต่ทั้ใจรู้จากความคิดกลายเป็นจิตญาณไปแต่รู้การรู้แบบนี้ประสบเห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอัญญาณตัวนี้ยมันพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นอันคิดเห็นมันเป็นจินตญาณอร่อยจิตตมยปัญญาเป็นปัญญาได้เหมือนคําตอบที่เราสอบผ่านวิชาการต่างๆก็ตอบได้ หลวตาก็าเคยเรียนรักถมสวงยเป็นเลนก็สอบได้ใบประกาศเพราะตอบได้แต่ไม่ใช่ญาณที่มันจางรู้มันจํามาเช่นเขาถามว่าจําเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คืออะไรทําเป็นที่อยู่ของผู้น้อยคืออย่างไรกูลที่มัง่งคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุใดแต่กูลที่มัง่งคั่งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดเราตอบได้เพราะเราเรียนเราจํามา ตำแหนที่อยู่ของผู้ใหญ่คือเมตตากรุณามมติตาออเปขาใครมีธรรม น, นี้เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แม้จะเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ได้ถ้ามีเมตตากรุณาโมติตาออเปขาตำแหน่ที่อยู่ของผู้น้อยก็คือด้วยอุปถาดด้วยรับใช้ด้วยเชื่อฟังศึกษาโรงเรียนศิลปะวิทยาโดยขรุขระเรียกว่าผู้น้อยอ่อนน้อมเอาไว้เย่างขงฟังตระกูลเทมังคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุรู้จักซ่อมแซมพัสดุที่ค้ำค่า รู้จักเสาะหาพัสดุที่หายไปแล้วคืนมารู้จักเสาะหาพัสดุที่ยังไม่มีให้มีขึ้นบุรุษจตีเป็นหัวหน้าแม่บ้านพ่อเลือนต้องเป็นผู้มีศินอย่าเป็นแห้งแล้งข้ามากาข้ามนี้ตระกูลนีไม่มั่งคั่งอยู่นานได้เพราะเหตุตรงงานข้ามไม่รู้จักซ่อมแซมพัสดุที่ข้ามค่าไม่หาพัสดุที่หายไปให้คืนมา ไม่แสวงหาพระสูตรที่ยังไม่มีพ่อไม่แสวงหาขี้เกียจพ่อบ้านแม่เลือนมเปนคนทุกสินแม่ข้ามาค้าข้าบดีสามีหามาพัญญาข้าบนี้พัญญาหามาสามีข้าบดีกินเหล้าโมยาเที่ยวเตะเลยละอนอันนี้ก็จิ็บหายไววอดเราก็ตอบได้เอาใบ ป, ประกาศมาห้อยขวาแต่บางคนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกินเหล้ายินยามาเล่นการประนันเกียจขิ้ขันอันั้นก็มีบรรือกันมีความรู้แต่ว่าการปฏิบัติทำมาใช่ความบู้แบบนั้น มันหลงพบเห็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันก็ไปชนกันอยู่เราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่เราสร้างใจเป็นกรรมตั้งไม่กับกายเคลื่อนไหวรู้เบาๆอย่าไปรู้แบบเพกรู้ซื่อๆดูเฉยๆดูรู้เป็นดูก่อนที่เราจะดูต้องมีตัวภาวะที่เห็นเนั้นตาเราตาเราอยากดูอะไรก็ลืนตาขึ้นมาถ้าไม่ลืนตาก็ไม่เห็นละไม่มีใครไม่ดูอะไร เท่าคนตาบอดเห็นความดีก็เหมือนเฉยเห็นความชั่วก็เหมือนเฉยคิดชั่วก็คิดอยู่ได้โกรธก็โกรธอยู่ได้ไม่เห็นอั่นแหละคนตาบอดคนหลับประงัดในเมื่อผู้อื่นไม่ปํางัดบางคนเขาลูเห็นความชั่วโอ้เขารบความชั่วเหมือนเราสวดเมื่อวี้เนี่ยจงเคารพพระธรรมอาธรรมคือความชั่วธรรมคือความดีความหลง ค, ความชั่วความรูกคือความดีทําย่อมนํำไปนรกทำย่อมใดไปถึงสุกติเอาลบบางคนไปเคารพพ อ, อใจในความทุกข์พอใจในความโกรธกูไม่ลืมกูไม่ลืมบางคนถึงกับาตายกูไม่ลืมถ้ากูได้โกรธแล้วไม่เคารพความชั่วเลยเอามาลงโทษตัวเองเห็นกงจัดเป็นโดกบัวเอามาทําให้ตัวเองเจ็บปวดไม่เคารพความชั่วถ้ากลัวว่ามไม่กลัว สิ่งที่ควรกลัวกับกล้าสิ่งที่ควรกล้ากับกลัวกล้าพูดชั่วกล้าคิดชั่วกล้าทำเพี้ยจนถือปืนถือเม็ดไปเข่นไฆ่ากันทั้งๆที่เป็นความชั่วไม่กลัวจงเคารพพระธรรมคืออะธรรมคือไม่มีประโยชน์ธรรมคือมีคุณมีประโยชน์เราจะมาเห็นมันมารู้นะใครบอกเราไม่มีใครบอกเป็นเรื่องของเราเอง ถ้าจะมาชวนกันดูมันก็เห็นผ่านตาเราอยู่ตาในคือสติมันหลงมันรู้เราเลื่นตาแล้วไม่ประมาทในเมื่อพื่นประมาทเราหลงมาชวนให้เราหลงเราก็ไม่หลงเขาประมาทเขาหลงเราก็เห็นตื่นอยู่ในเมื่อผื่นหลับบางคนก็แสดงให้เราเห็นโูดออกมาโอ้เพื่อนเราประมาทแล้วเพื่อนเราหลงแล้วเราก็ไม่หลงตอนที่เพื่อนหลงเราก็ไม่หลงคนอื่นประมาทเราไม่ประมาท ตื่นอยู่แน้เพื่ออื่นหลับเขาไม่รู้เขาหลับอยู่ย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนม่ามีผีเท่าดีละม่าที่ไม่มีผีเท่าไปเดินทางด้วยกันห่างกันคนละบ้านสองบ้านไปเพราะเราไม่ประมาทในที่ควรประมาทในตัวเรานี่มีสิ่งที่จะไม่เราประมาทหลายอย่างนั้นเกิดอยู่ที่ตัวเราตาก็มีรูปทาให้หลงตรงนี้หูก็มีเสียงทําให้หลงตรงนี้ จมูกก็ได้กลิ่นทําให้หลงตรงนี้ลิ้นก็ได้รสทําให้หลงตรงนี้กายก็สัมผัสทําให้หลงตรงนี้ใจก็คิดนี่ยทำให้หลงตรงนี้เราก็มาลูกเหมือนตรงนี้มันก็ลู่ตรงนี้ลู่ตรงนี้จนแบบนี้ชํานาญเอาเป็นความรูป้ประสบการณ์บทเรียนได้ทั้งหมดแหลมยิ่งมาดูตัวเองมาดูด้วยกันโดยรูปแบบกบรรมหารคือการกระทาก็มีเยอะยอะเอากายราวางประกอบ ให้มันเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ได้หาให้มันไปเลยอย่าเอามาผิดความหลงเอาเปลี่ยนธารมะเปลี่ยนคือปฏิบัติเปลี่ยนลายเป็นดีคือปฏิบัติปฏีคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางดีมันมีให้เราเปลี่ยนตลอดเวลาสนุกดีการมาฝึกตนแรงสนุกดีไม่ใช่ความเกลียดค้านสะดุกเห็นมันหลงสะดกเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันทำได้ไม่เหมือนเราไปทําอันอื่น ทันทีเดี๋ยวนี้มันหลงว่าเปลี่ยนมาความรู้ไม่ได้รอเลยปัจจัตังทันทีนี่คือคำสอนที่เป็นศัจธรรมพิสูจน์ได้ไม่ใช่คำหนึ่งเหตุนะผลไม่ใช่ศัจธรรมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไหมเกี่ยวกับความหลงอย่างไรในเวลามันหลงทำอย่างไงไปเรียกใครไปช่วยเราต้องทำเองนี่คือปัจจัตังเห็นเองรู้เอง แค่ไขแดงเตือนตอนแดงการทำํำมาหนี้เรียกว่าวาชนาเรียว่านิสัยเมื่อมีนิสัยก็มีปัจจัยถึงมรรคผลนิพพานถ้ามันหลงเปลี่ยนจากหลงเป็นความรู้เป็นนิพพานอยู่ตรงนี้น้อยน้อยมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นความไปทุกข์เป็นนิพพานอยู่นี้พ้นไปหลุดไปมันพ้นไปน้น้อยอย่างนี้มันไปไปไหนไปจากอะไรไปจากความหลงไปสู่ความรู้ ไปจากความทุกข์ไปสู่ความไม่ทุกข์เป็นการไปถ้าไปอย่างนี้เรียกว่าประวัชัถือบวชกันอบายใครทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นนักบวชได้ถ้าใครไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นนักบวชเลยท่านไปจากความชั่วไปสู่ความดีบอ่อเว้ยว่าบ่อแหนงช่อช้างเรียกว่าบวชเป็นภาษ า, ษาธรรมเป็นภาษาปรมัตา์ถ้าภาษาสมมติประหยัติก็ต้องไปสวดเอสาหัง มีก ร, รมวาจาจารย์ไม่อุปชาไม่สีมาตามกติธรรมไม่ไหนแต่ว่าการถือบวชที่จะเป็นอุบายออกจากทุกมีสิทธิเท่าเทียมกันมันหลงรู้เลอะไปแล้วพ้นไปจากความหลงเป็นทางหลุดไปหลุดไปหลุดไปมันทุกข์รู้พ้นจากความทุกข์มันโกรธรู้พ้นจากความโกรธไปแล้วมันหลังให้แล้วเรียกว่าเรียกว่ามักมักคือการเดินแบบนี้ไม่ใช่เดินทางด้วยลูก ด้วยรถยนต์ด้วยถนนแล้วเหยียบทางในไว้ให้เป็นรอยรอยอะไรรอยรู้ทางรอยรู้มันอยู่ตรงรอยหลงเหมือนป่าเหมือนถนนถนน ท, น ท, นทางมันก็มีรอยเปิมันจึงเป็นทางสติเหมือนเหมยใบมีดแท็กเตอร์ของรถมันผ่านไปรอยแท็กเตอร์ใยมีดของรถก็กลายเป็นทางเหมือนกับสติที่เป็นไปแต่รูตรงไหนก็มีรอยแห่งความรู้ ถ้าหลงตรงไหนก็ไมีรอยแห่งความหลงเราจะไปทางไหนถ้าไม่ช่วยตัวเองอ่ะใครจะช่วยเราได้ล่ะเ่าต้องมีวิธีอย่างนี้มาสอนกันอย่างนี้มาทำร่วมกันอย่างนี้มีสถานที่อย่างนี้คือพุทธศาสนาของเรามีสมบูรณ์แบบแล้วก็มาอยู่ที่นี้มานั่งตรงนี้เสียงที่พูดเขาพูดอย่างนี้เราก็ได้ยินอย่างนี้เราไม่ใช่ไปนั่งอยู่ในทุงน่งนา นั่งอยู่คันนาไปสแสดงธรรมไปทําอะไรชื่อนั้นมันก็ไม่บอกเราจะมีอย่างนี้ขึ้นมาก็เรามาทําขึ้นมาแล้วเราก็มาใช่อย่างนี้กันจึงมาฝึกขัดแล้วใครละ่ะใครบังคับเรามาด้วยเหตุอะไรผู้วัญชาผู้หลักผู้ใหญ่บังคับเรามาเลยหลวงตาเคยถามผู้ที่มาบวชใครบังคับมาบางคนก็บอกพ่อแม่บังคับมะแล้วก็ไม่เฉยแล้วไปที่ใครบังคับมา มาแบ บ, แบบตั้งใจมาที่จะบวชจันพระที่อยู่ที่นี่มาไกลๆ จ, กลจากกรุงเทพจากไหนมาขอบวชมาทําไมกลยอย่างนีง้อะบวชที่ไหนก็ได้ก็เลือกเลือกมาที่นี่มาทําไมมันลาบากวิทยุก็ไม่มีฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีอาหารการกินก็ไม่มีนะที่อยู่อาศัยก็ไม่มีเพียงพออยู่บ้านก็เปิดตู้เย็นกินได้อยู่นี่เลือกไม่ได้ มาทำํำไมก็อยากว่าขัดบาคนก็ตั้งใจมามีเวลานได้ต่อยเดือนหนึ่งก็มาเพื่อศึกษามาบวชแล้วก็จะศึกวันนี้จะศึกรูปหนึ่งก็ลามาบวชก็ดีถ้าอโมธนาบางทีจะเาผ้าม่อพายบวชไปห่มพอใจหรือพอใจที่จห่มผ้าไหมพอใจถ้าไม่ให้ห่มผ้าถ้าให้บวชเสียใจไหมเสียใจเพราะตั้งใจมาแล้วก็เลยคล่องจีวรให้ไปไปห่หมผ้ามา บางคนก็ถูกพ่อแม่บังคับมาหรือหาวันจึกมาด้วยจึกวันไหนดีมีวันบวชได้น้อยพอจะมาบวชหาวันจึกให้หลวงตาหาวันจึกให้เพื่อเป็นมงคลอ้าเราจะจึกไปทำอะไรละ่ะถ้าจึกไปทำดีนั้นก็ดีด้วยถ้าหลวงตาบอกว่าวันนี้เป็นวันดีเราไปทำชัววช่วก็ชั่วนั่นอยู่ที่เราที่จะไปทำากาดีก็นั่นแหละคือดิฉิตชีวิตของเรา อันนี้มันเป็นของทำได้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพื่อะไรพึ่งการกระทำของเราเราอยู่อย่างไรชีวิตเรามาถึงวันนี้เราหลงหรือเรารู้กันมากนี่ใจพึ่งใจได้ไหมเอาใจไปทาอะไรนี่กายเอากายไปทาอะไรทำมาใช่อย่างนี้ลองดูขั้นหนึ่งเถอะชีวิตเรานะอย่าไปหลงเข้าลุกขเข้าพงเกินไป ถ้าเราเป็นคนดีก็ทุกแบบคนดีก็มีถ้าเราเป็นคนชั่วทุกแบบคนชั่วก็มีเราไม่ทุกได้ไหมเราไปทำชั่วได้ไหมเอามาทำดีแนละ้วความดีที่เราทำก็เป็นประโยชน์ถ้าเรามีเมตตากรุณามุิตาเบิกขามันก็สบายสบายถ้าเรามีอิจฉาไปบาปมันก็เดือดร้อ น, น, นเนี่ยจึงมีการกระทำจริงๆชีวิตเราเนะี่มันทำได้จริงๆหาหลักฐานนำมาทำความดีสติ เป็นพิพากษาตุลาการความหลงเป็นโจทดเราไม่รับความเป็นธรรมเลยชีวิตเราความโกรธไม่เป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราควงมรู้จึกตัวเป็นธรรมท่องมันลงไปให้มันชนะเรื่องนี้กันบ้างไม่ใช่โกรธจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายความทุกข์อันเป็นขั้งสุดท้ายได้ความโกรธตัต้งค่สุดท้ายได้ นี่คือธรรมะที่ปฏิปไตยมีสิทธิจะไม่ทุกข์มีสิทธิที่จะไม่โกรธเริ่มต้นจากตัวเราเราก็มีการมีงานอย่างน้อยเราก็เป็นครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานก็ไปช่วยกันช่วยคนอื่นได้ก็ไปช่วยครอบครัวเราเรื่องพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้มีหน้าที่ช่วยคนเป็นครูก็มีเป็นหมอก็มีภัยบาตก็มียิ่งดีใหญ่จะได้ไปช่วยคน มีก็ช่วยกันแล้วก็ลูกของเราเองสามีของเราปัญญาของเราไปช่วยกันด่ากันให้มันเย็นใจสามีเห็นหน้าพระเจ้ญญาเย็นใจเพราะเห็นหน้าปัญญาเห็นหน้าสามีเย็นใจถ้าทําให้กันเย็นใจสบายใจก็เป็นบุญถ้าทําให้กันเดือดร้อนก็เป็นทุกข์เราไปทำบุญให้บุญเครื่องค้าจุนโลกบุญเป็นเครื่องค้าจุนโลกคือความดีที่เรามีอยู่ในตัวเราเอาไปให้มัน เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นบ้างไม่ใช่ใครที่ไหนลูกของเราเมียของเราสามีของเราพ่อแม่ของเรานี่แหละคือความดีที่เรามาทําไปช่วยกันคนเจ็บคนไข้คนหลงก็มีคนเป็นทุกข์ก็มีไปช่วยคนที่เป็นทุกข์ให้ไม่เป็นทุกข์หรือว่าทำบุญเหมือนกันไอ้ช่วยคนที่โกรธให้หายโกรธเป็นบุญเหมือนกันอย่าไปทําบุญกับพระกับวัดอย่างเดียวพ่อแม่ทมําบุญต่อกันกับลูกลูกทําบุญต่อพ่อต่อแม่ สามีปัญญาตํางบุญตัวกันเป็นคนดีโตกันรักกันเคารพกันก็ต้องเป็นคนดีอย่าทําให้กันเดือดร้อนบุญในพุทธศาสตรจะเป็นอย่างนี้ถ้าอะไรมันขวงกันไว้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างรัฐบาลพมา่าเวลาเนี้รัฐธรรมนูญของเขา้าไม่ให้คนไปช่วยคนร่ำายเป็นแสนแสนอย่างเน่าเุตเสมันแต่ม เ, ตมเมืองไม่มีใครไปช่วยเพราะรัฐบาลพ ม, าม่าไมให้ใครไปช่วยจะช่วยเอง บางทีทางประเทศต่างๆตัดสินใจเอาเครื่องมีนใส่อาหารไปรหย่อนลงประเทศาาว่าจะเอาไปแจกกันเด่งนั้นคือทั้งก็มีสมมุติปัญญ์จิตมันม่นถือมั่นถ้ามนุษย์คิดถึงมนุษย์เราเป็นมนุษยชาติให้ช่วยกันบางทีสมมุติปัญญ์เขาขวงกันประเทศของกูมึงอย่าเข้ามาอันนี้ของกูอันนี้ของกูกายก็ของกูเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะกายเอากายไม่เป็นทุกข์ใจของกูเป็นทุกข์เพราะ ใ, ใจเอาใจมาเป็นทุกข์ เรียกว่าอุปทานว่าโดยยกอุปทานขันทั้งห้าเป็นโททุกสังเจ้าสวนอันตตรคณาสูตรที่นีอุปทานคืออะไรกูมีไหมกูในกายกูร้อนเห็นไหมกูพอใจกูชอบเอากายมาเป็นกูกูเหนื่อยวิธีเปิเดมอยังไงเห็นมันมันร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติปนาการของกายของรูป ไม่เป็นทุกข์ความล้อมได้ไหมได้ทำไงรู้เฉยเฉยรู้แล้วมันปวดรู้แลว้วมันเหนื่อยรู้แลว้วเบาไหมเจ้าไม่ไหวหนักไหมไม่เป็นไรเมาไหมเห็นมันหรือเป็นมันเ ป, ป็นผู้ล้อนหรือเห็นมันล้อนผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวผู้หิวหรือเห็นมันหิวเคยถามนักปฏิบัติมันเครียดง่วงก็ง่วงคิดมากอ้าว นักกรรมาฐานเขาไม่ตอบอย่างนั้นหรอกตอบไปได้เอาตอบไป่ะมันก็เครียดจริงๆนะดูหน้าตาเพเครียดอ่ะมันเครียดมองออกไหมขนโกรธมองออกไหมก็รู้จริงๆถามเขาเป็นไงหนูแย่เลยทำไมอันเครียดมันง่วงเช็ดปะ่ะไม่ใช่นักกรรมาฐานเขาไม่ตอบอย่างนั้นตอบไปตอบไ ง, บไงมันก็เครียดอย่างนี้จริงๆอ่ะ หลวงตาบอกว่าให้ดูมันไม่ใช่ไปเป็นกับมันทุกเรื่องไปดูไม่ใช่ไปอยู่กับมันไม่ใช่ไปเป็นกับมันมันแสดงก็อย่าไปร่วมมือกับมันเอามีมภาพที่ดูโอเคไหมเออตอนนี้หนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้สิเห็นมันเครียดหรือเป็นผู้เครียดเราก็ออกฝาจากความเครียดเออตอบอย่างนี้นะเห็นมันไหมเป็นกับเห็นต่างกันไหมเห็นมันโกรธหรือเป็นเมื่อโกรธ ลองดูซิปฏิบัติคือเห็นมันถ้าไม่ปฏิบัติคือเป็นไปกับมันเลยพูดว่าเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเห็นมันมากเหลือเกินอาการต่างๆเรื่องต่างๆที่เกิดกับป่ากับใจเรานี้เรามาดูมันดูมันที่แสดงออว่าความเท็จความจริงเปยังไงบางทีมันสมมุติขึ้นมาเอาสมมติเป็นของจริง บัญญัติว่าเราชอบเราไม่ชอบบัญญัติเราเองบางคนก็ทําให้เราบัญญัติคำพูดลักษณะท่าทางสมมุติรูปธรรมเสื้อผ้าอภรรต่างๆบัญญัติทําให้เราบัญญัติสมมุติขึ้นมาก็ไป ย, ยึดเอาอย่างจิตของเราสมมุติขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาชอบคิดขึ้นมาไม่ชอบคิดว่าเราโกรธคิดขึ้นมาเราทุกข์เราเองเราทําเอง ไม่มีใครเท่ไหรปัญญัดขึ้นมาน่าชอบว่าไม่ชอบเราจึงมาศึกษาตามส ม, มุปปัญญัดเรื่อเห็นเี่มันเกิดขึ้นกับเราด้โอ้สนุกดีมาเห็นของจริงในชีวิตเราดูเอามีสติผวมรู้สึกสตินี่ถ้าใหม่ใหม่ก็เป็นสติต่อไปจะเป็นญาณเป็นดวงตาภายในของเรารูรอบมันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีแล้วมันไม่ลืม เห็นอะไรก็เห็นอันเดียวความโกรธก็เดียวความทุกข์อันเดียวโกรธอยู่ที่นี่โกรอยู่ที่ไหนก็อันเดียวกันมันเป็นอันเดียวไม่ใช่งอกงามเหมือนโรคภัยไข้เจ็บโรคเอดโรคอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาโลกี่อยู่กับเราเนี่ยมันอันเดียวมันหลงเมื่อมันหลงก็ไปไกลเมื่อมันลู่ก็หยุดแล้วแค่นี้เองเราจะทํามาได้เลยเรียกว่าปฏิบัปธรรมมาพูดมาบอก เรื่องจริงที่ทำได้พุทธเจ้าสอนเราในสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่สอนสิ่งที่ทำไม่ได้เราหลงเราก็ลูดได้ไม่มีอุปกรณ์อันที่หนึ่งที่สองมาช่วยมันง่ายง่อะอันตัวลู้ซื่อๆมันง่ายเบาถ้าเอาก็ดับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้กันควรที่จะประกาศหน้าประกาศจริงๆเอาไปหลงเอาไปทุก มันไม่ทุกข์ก็ได้นี่นะเอาไปโกรธมันไม่โกรธก็ได้นี่นะเรื่องแคน่นี้ถ้โกรธไปไงทุกข์ไปไงไหวไหมไม่ไหวไหวหลวตาเคยเคยสวนทางกับความคิดคนนั่งรถไปด้วยกันมันล้อนไปเผยแพร่ธรรมที่เชียงใหม่สมัยอาจารย์ทองศิลเป็นนักศึกษาอยู่ที่พะยับเชียงใหม่ไในหวนไปสอนอ<ม>นเขาเป็นนักศึกษากเรียณจบแล้วทำงานทําการละมาบวช เป็นอาจารย์กรรมฐานที่เป็นกรรมฐานแม่ไก่หลายลูกแต่พระก็ไปหาอาจารย์วเทพนั่งรถไปขึ้นรถที่อขอนแก่นจะไปขอนรถสีส้มร้อนรถเก่าๆขอให้เราลั่งข้างหลังมันก็ติดเครื่องเผุเรามันก็ร้อนขึ้นมาที่เก้าอี้เงยขึ้นโจมหมกไหลออกมาหาก็ไม่ไหวไม่ไหวร้อนร้อนตายต า, ยตายเาอาผ้ามาพัดเปงเราตายก็นั่งกัน หาวิช่วยเอาผ้าเอามันร่อนขึ้นตรงไหนมันร่อนตรงนี้เอาผ้าไปยัดไปตายตายตาไม่ไหวไม่ไหวเหล่าตาก็ไม่ได้พูดตกพูดในใจไม่ตายไม่ตายหวไหวมันร่อนอ่ะก็ดีไม่ตายไม่ไหวไม่แสดงให้เป็นความตายความไม่ไหวอย่างนั้นไหวควมร่อนก็ไหวอยู่ไม่ตายไม่ตายไหวไหวก็คิดสวนทางแบบนี้ ไม่แช่เอโลนมาเป็นทุกข์ไม่แช่อเย็นมาเป็นสุขเป็นธรรมดาเห็นวันไม่ค่ามันเลยไม่ค่าความโลนไม่ค่าความเย็นไม่ค่าความสุขไม่ค่าความทุกข์เอาอย่างนี้ชีวิตเราจึงจะเป็นผมปองจันโบลี่สุดทําได้ไหยมันทุกข์ไม่ทุกข์มันหลงไม่หลงไม่ใช่เอาแย่งกันเอาโปกดเราไม่ต้องไปร่วมมือกับเขาทําใจสบายไรเย็นในที่เต่าหลอมเหล็ก ตรงที่มันร้อนทำให้เย็นตรงที่มันหนักทำให้มันเบาเป็นจึงจใช้ได้ชีวิตเราถ้าไม่ชนนมันใช่ไม่ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไปโกรธมันหลงไม่หลงเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนที่เราใจเอามาเปลี่ยนอย่างนี้ใจอย่าไปเอาหัดตรงนี้หัดลู้หัดลู้หัดลู้นี่ถ้าไปเสียดอย่างนี้ก็ไปเสียดตัวเองไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับอะไรที่มันเสียก่อน ร่วมมือกัน ม, มันหลงก็ไปกับควมหลงมันทุกข์ก็ไปกับควมทุกข์มันโกรธก็ไปกับความโกรธมันมีประโยชน์อะไรนี่แต่เป็นโทษเตะตัวแล้วโกรธบ่อยๆก็เป็นลูกกับพราะอาหารถามคนหมอดูเวลาใครเป็นปวดท้องไปเขาก็ถามประวัตินะโกรธบ่อยๆก็ทุกข์ไปเทือนมากนี่มาปฏิบัติธรรมมันคบวงจรนะวงจรของชีวิตเรามันตั้งอยู่ที่การปฏิบัติธรรม อาจจะถูกต้องไปหลายๆอย่างทำเรื่องเดียวรู้ไปรู้ไปรู้ไปเป็นปัญญาการหลงเป็นเหตุตัวรู้เป็นผลเปลี่ยนเหตุไล่เป็นเหตุหตดีเป็นการกระทําเปลี่ยนกรรมสิ้นกรรมสิ้นจริงๆหมดจริงๆหมดกรรมหมดเวนใครจะเปิดเื้อนอะไรมาหรือเหมือนกับรถถูกชนมามีลอยลักลอยแฉนลอยสุขรอยทุกข์ลอยได้ลอยเสีย มามาซ้มมาเข้าอู่โดยมีสติจัชมยัญญะรักษาดีเหมือนเดิมถ้าไม่หัดตรงนี้มันจะเป็นศูนย์เป่าชีวิตเราเกิดมาต้องเอาตรงนี้กันให้มีค่าเกินมาให้คุ้มค่าให้ยกเบิดว่ายตัวเองโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเนเพื่อการนี้คุ้มค่าแล้วพ่อแม่เออให้เลี้ยงเรามาไม่เสียค่านำน้ำลง เรื่องลูกบาได้บาลูดดังนี้นะอันกุ้มค่าแล้วก็ทําดีเรื่อยไปเอารูปโอกกายเอาใจที่ได้มาจากพ่อจากแม่มาทําดีไม่ใช่พวอแม่เราตายไปไม่ใช่นะั้นเรายังอยู่เรายังอยู่เพื่อทำำํากรรมดีนี่คือดํารงตระกูลท่านเรามาช่วยกันชีวิตของเราเนะนับหนึ่งใจตัวเราก่อน เราไม่นับที่ตัวเรามัตั้งต้นที่ตัวเรมันก็มีสองต่อไปมันต้องมีสามต่อไปไปบอกกันไปพูดกันเป็นเพื่อนกันอาจารย์จงเิลิมเขียนไว้ที่ลองทานป่าดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่เราไม่ใช่เ ป, ป็นงอบอนไขอะไรมันจะดีอยู่ที่เรามาช่วยกันอย่างนี้